มันผมจะเอาข้อความในเมคิยาสูตรแบบพิสดารมาอ่านให้ฟังเลยนะครับข้อความในเมคิยสูตรในคัมภี์อุทานนะครับซึ่งกล่าวถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับตรัสกับพระเมคิยะนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะมีพระเมคิยะนี่เป็นอุปถากเดินทางไปเรื่อยนะครับ แล้วก็พระเมขิยะอนี้ก็ไปเห็นป่าก็เลยขออนุญาตพระผู้มีพระภาคไปบำเพ็ญเพียรในป่ามะม่วงอ่ะนะพระผู้มีพระภาคก็ห้ามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพระเมขิยะก็ไม่ยอมนะครับเมื่อพระเมขิยะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าห้ามอย่างนั้นนะพระเมขิยะก็ยังกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีกิจอะไรๆที่จะพึงทำให้ยิ่งหรือไม่มีการสั่งสมอริยมรักที่พระองค์กระทำแล้วแต่ข้าพระองค์ยังมีกิจที่พึงกระทำให้ยิ่งยังมีการสั่งสมอริยมรักที่ทำแล้วถ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงอนุญาตข้าพระองค์ใช่ข้าพระองค์จะพึงไปสู่อัมพวันนั้นเพื่อบำเพ็ญเพียรขณะพระพุทธเจ้าห้ามนะ ครั้งหนึ่งก็แล้วครั้งสองก็แล้วครั้งสามก็แล้วเสร็จแล้วพอครั้งที่สานะครับพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะเราจะพึงกล่าวอะไรกับเธอผู้กล่าวอยู่ว่าบําเพ็ญเพียนนะเออแม่ดูจริงจังนะเหมือนดูก่อนเมขิยะเธอจงสําคัญเวลาอันสมควรณนะบัดนี้พิจารณาเอากันแล้วกันเหมงอนกันทีนี้พระเมขิยะก็ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณแล้วเข้าไปยังอัมพวันนั้น ครันแล้วก็ได้เที่ยวไปทั่วอัมพวันนั้นนะครับแล้วก็นั่งภาคกลางวันอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งครั้งนั้นเมื่อท่านพระเมกขิยะพักอยู่ในอัมพวันนั้นอกูศลวิตตกอัลลามก3ประการานะพอ n ั่งไปกามวิตกก็เกิดนึกถึงแตเรื่องกามนะครับพยาบาทวิตตกก็นึกดา่านึกตําหนิเป็นต้น น, นะวิหิงสาวิตกก็นึกเบียดเบียนย่อมฟุ้งซ่านโดยมากนะครับนั่งไม่มดงงได้ไม่ได้งานใดการเลยนะครับนั่งฟุ้งอย่างเดียวยงนั้นเถอะ ทั้งนั้นพระเมหกิจก็เลยคิดว่าโอ้น่าอัศจรรย์หนอไม่เคยมีมาแล้วหนอเราออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาแต่กลับถูกอกุศลวิตกอันลามกสามประการนี้คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกครอบงำแล้วนะครับแม้เจตนารมเนี่ยดีมากเหมือนกันเถอะแต่ว่าก็ยังถูกกิเลสมันครอบงำย่ำยนะีตอนเย็นก็เลยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็เล่าความเป็นไปนั้นให้ฟังหมด พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนเมคิยะธรรมห้าประการย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้านะองค์ไม่พูดถึงเรื่องที่ที่เดืที่เ ด, ดือแพ่งพระองค์เนยนะไม่พูดถึงคำตรงนั้นเด็ดขาดไม่นึกไม่ตำหนิเลยสักคำหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็รู้แล้วว่าอินทรีย์เนี่ยมันไม่แก่กล้า เมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าจะไปทําอะไรนะครับศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่แก่กล้าเนี่ยนะมันจะไปบรรลุเจโตวิมุตต์ได้ยังไงแต่ถ้าหากว่ามีธรรมะห้าประการนะเจโตวิมุตต์ที่ยังไม่แก่กล้าก็จะแก่กล้าขึ้นเหมือนกันเถอะและผม ก, ก็ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมะประการที่หนึ่งย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้า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 คืออินทรีย้นั่นเองนะครับเจตวบิมุตในที่นี้ก็หมายถึงอินทรีนั่นเองนะครับนะข้อสงข้อ 1, กาลยานามิตรนะครับข้อ2คือศีล น, นะครับจตุปริสุทธิศีลดีอ่างนั้นแต่อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากนะครับโดยไม่ลำบากซึ่งกระถาเครื่องขัดเกลาอันเป็นไปเพื่อความสบายในการเปิดจิต เพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความเข้าไปสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออปิจักขากขาบอกว่าถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อยสันตุทิากขานะครับถ้อยคำที่ชักนาให้สันโดษปวิเวกกะขาถ้อยคำที่ชักนาให้สงัดกายเป็นต้นนะครับ อนนสังสารคติคถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้ละคนด้วยความคลุกคลีด้วยมูอวิริยารมภักคถาถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารบความเพียนศีลคถาถ้อยคำชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิคาถาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้สงบ ป, ปัญญาคถาถ้อยคำชักนำให้เกิดปัญญาวิมุตติกถาถ้อยคำชักนำทำใจให้พ้นจากกิเลสแล้วก็วิมุตติญาณทัศน์กถา ถ้อยคำชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในการพ้นกิเลสนะครับ น, นะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็คือสรุปนะสรุปข้อ3ได้แก่กระถาวัตถุ1ินะครับกระถาวัตถุทั้ง1ินี้นี่นะครับเป็นธรรมะประการที่3ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจอเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าอีกประการหนึ่งพิสูจนเป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอากุโลธรรม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 ตรงนี้นี่นะครับหมายถึงอุทยพยากรณ์หนะให้ความเกิดและความดับเนี่ยนะเกิดด้วยอาการ25ดับด้วยอาการ25นะครับเห็นเกิดดับด้วยอาการ50อันเป็นอริยะเนี่ยนะครับช่ำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมะประการที่5ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าดูก่อนเมคิยะธรรมะหประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติ ที่ยังไม่แก่กล้านะครับแล้วพระองค์ยังตรัสต่อไปว่าดูก่อนเมคิยะพิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้คือนะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับมิตรดีเนี่ยสำคัญมาก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 ซึ่งกระาเครื่องขัดเกลากิเลสนะถ้ามีเพื่อนดีเนี่ยนะกระทาวัตถุสิบหาฟังไม่ยากนะครับก็จะได้กระทาเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อเป็นที่สบายในการเปิดจิตนะครับเพื่อเบื่อนน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพันนิพานนะครับคืออปิจกักขาสันตติกขาปวีเวกะกราอสังสัคขากรทาวิริยารำภากรทาศีลกกาสมาธิกระา ปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัศนกรฐานะครับเนี่ยนะถ้ามีมิตร ด, ดีข้อหนึ่งทำให้มีศีลดีใช่ไหมครับสให้มีได้กระถาวัตถุสิบโดยไม่ยากนะครับถ้าภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อนี้ได้นะครับคือตนเนี่ยนะจะเป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุศลธรร ม, มเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรม เป็นผู้มีกําลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมนะถ้ามีเพื่อนดีก็ทําให้มีความเพียร น, นะครับภิกยรสู่ผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังคุณข้อ น, นี้ได้คือตนจักเป็นผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะชํำระ ก, กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็อาศัยกัลยาณมิตรคือจะทําให้ได้ปัญญาพระองตรัสอย่างนี้ก่อนนะครับว่า ธรรมะ5ประการเนี่ยเพื่อบ่มเจโตวิมุตต์ใช่ไหมครับ5้าประการคือข้อแรกหนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งมีมิตรดีสองมีศีนสมี 3, มสได้กระทาวัตถุสิบนะครับส่ 4, ปราร บ, รรบความเพียรหามีปัญญ า, ญญาในคุณธรรมทั้ง5้าประการนะครับถ้าหากว่าได้ข้อหนะึ่งะคือถ้าได้กาลยานมะิตรคือมีมิตรดีเนี่ยนะข้อหนึ่งเนี่ย จะทําให้ตัวเองมีศีล น, นะครับได้กระทาวัตถุสิบปรารบความเพียรและมีปัญญาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในบรรดา5ประการนั้นข้อหนึ่งเด่นที่สุดนะครับข้อหนึ่งสำคัญที่สุดนะครับพอถ้าได้ข้อหนึ่งแล้วข้ออื่นๆจะตามมาอย่าลืมว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นะครับทีนี้ว่าพระเมขียะเนี่ยนะไม่เชื่อถ้อยคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนี่แหละจึงไปฟุ้งฟานน่ะนะ พวกก็ตรัสว่าดูก่อนเมคิยะก็แลพิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรมะห้าประการนี้แล้วพึงเจริญธรรมะสประการให้ยิ่งขึ้นไปนะคือถ้าได้คุณธรรมหประการนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งคือหนึ่งมีกัลยาณมิตร 2, 2> สองมีศีลสได้กระทาวัตถุสิบสี่ปารกความเพียรหมีปัญญาแล้วก็เจริญธรรมะสประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ พึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะนะครับหเจริญอสุภะนะเพื่อละราคะ2พึงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทสามพึงเจริญอาณาปานสติเพื่อตัดวิตกนะครับพล่านไปเรื่อยเนี่ยนะแล้วก็สพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อเพิกถ อ, อนอสนุมิมานะเนี่ยนะครับสประการนะอสุภะเพื่อละราคะเมตตาเพื่อละ พยาบาทอนาปานสติเพื่อตัดวิตกอนิจจาสัญญาเพื่อเพิกถอนอสมิมานะดูก่อนเมคิยะอนัตตาสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจาสัญญาผู้ที่ได้อนัตตาสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นที่เพิกถอนเสียได้ซึ่งอสมิมานะในปัจจุบันเทียวนะครับ ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบเนื้อความนี้แล้วคือทราบเนื้อความที่พระเมคิยะเนี่ยนะถูกอกุศลวิตกตกเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลยเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าวิตกอันเลวสามวิตกอันละเอียดเป็นไปแล้วทำใจให้ฟุงฟ้งซ่านบุคคลผู้มีจิตหมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ย่อมแล่นไปสู่พบน้อยและพบใหญ่นะ ปล่อยความคิดให้พล่านเนี่ยนะครับแล่นนะครับแต่และความคิดเนี่ยนำเกิดได้หมดเลยนะครับส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมีสติทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้แล้วย่อมปิดกั้นเสียพระอริยาสาวกผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือซึ่งวิตกเหล่านี้ที่เป็นไปแล้วทําใจให้ฟุ้งซ่านนะครับนนะที่ เอาข้อความตรงนี้มาเนี่ยนะครับเพื่อทําให้เห็นถึงความเด่นชัดของอความมีกาลยานามิตรนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีกาลยานามิตรซะอย่างเดียวนี่นะครับนะตัวเองก็ศีลดีแล้วนะครับทําให้มีศี น, นี่ดีขึ้นเลยอ่าแล้วโดยเฉพาะกระทาวัตถุ10ก็จะมั่นคงขึ้นนะครับเออเกี่ยวกับเรื่องกระทาวัตถุ10นี่นะครับแต่ละข้อนี้ก็น่าน่าสนใจเนาะ เพราะฉะผมจะเอาข้อความในสัมภำพีนะครับมาที่บายควบคู่กันไปคือในอัตถกถาระถาวินีตสูตรกับอัตถกถาเมคิยสูตรควบคู่กันนะครับว่าคือในอัตถกถาระถาวินิตสูตรเนี่ยมีตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยนะครับคือถ้าหากว่าภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเนี่ยนะครับก็จะได้คุณธรรมคือโดยเฉพาะกระถาวัตถุสิบใช่ไหมครับกระถาวัตถุ10นั้นจะเป็น เป็นเครื่องขัดเกลาเกิเลสอย่างยิ่งนะครับถ้าเป็นคาถาวัตถุสิบนะจะขัดเกลาเกิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตเพื่อเบือนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้แล้วก็เพื่อนิพานเนี่ยนะอาตากถาก็อธิบายว่าได้แก่เป็นผู้มีปกติขัดเกลาเกิเลสอย่างเข้มงวดนะครับคือเป็นผู้สมควรเพื่อละกิเลตเหล่านั้นโดยทําให้เบาบาง บอกว่าเจโตวิวรณส ป, ปายาได้แก่เป็นส ป, ปายะของสมถะและวิปัสสนานะครับคถาวัตถุ10บเนี่ยนะครับฟังแล้วเป็นส ป, ปายะต่อสมถะและวิปัสสนากล่าวคือเปิดจิตโดยกระทํานิวรณอันเป็นตัวปกปิดจิตให้ห่างไกลนะจิตเนี่ย น, นะถูกปกคลุมด้วยนิวรณใช่ไหมครับถ้าได้ฟังคาถาวัตถุสิบที่เป็นส ป, ปายะต่อสมถะวิปัสสนาก็จิตก็เพิกจากนิวรณ สมถะและวิปัสนานั่นแหละเป็นสปายะคือเป็นอุปการะแกการเปิดจิตหรือการกระทำจิตนั่นแหละให้ปรากฏด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าเจตโตวิวรณสปายาเป็นสปายะในการเปิดจิตบัด น, นี้เพื่อจะแสดงเหตุเครื่องนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายเป็นต้นอันเป็นกระถาขัดกล่าวกิเลสและเป็นสปายะในการเปิดจิตจึงตรัสํามเมียที่ว่า เอกันตะนิพิธาบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเอกันตะนิพิธาเนี่ยนะครับได้แก่เพื่อเบื่อนายจากวัตทุกข์โดยแท้จริงทีเดียวเพื่อเบื่อหน่ายจากวัตนะครับวัตตนี้คือทั้งกรรมวัตวิปากวัตรและกิเลสวัตรนะครับเบื่อหน่ายในยกตัวอย่างนะเบื่อหน่ายในวิปากวัตรก่อนไอวิปากวัตรนี่แหละกิเลสวัตก็เกิดกิเลสวัตเกิดก็ทํากรรมวัตกรรมวัตมีเพื่อวิปากวัตรเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็จะเบื่อหน่ายในวัตตะทั้งหลายเหล่านี้นะครับบทว่าวิราคายะนิโรทายะได้แก่เพื่อคลายและเพื่อดับวัตถุทุกนั้นนั่นแหละบทว่าอุปสมายะได้แก่เพื่อสงบสับพภาคิเลตบทว่าอภิญญายะได้แก่เพื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งแม้ทั้งหมดบทว่าสัมโพธายะคือเพื่อตรัสรู้มัคจิตสนะสัมโพธายะหรือสัมโพธินะครับ ให้รู้เถอว่าเป็นชื่อของอริยมรรคนะครับบทว่านิพพทานายะได้แก่เพื่ออนุปาที่เสสนิพานธาตุนะปรินิพานโดยรอบเลยนะครับก็บรรดาบทเหล่านั้นตรัสวิปัสสนาด้วยสามบทข้างต้นนะครับตรัตมรรคด้วยสองบททั้งสองตรัสนิพานด้วยบททั้งสองนะครับ ท่านแสดงว่าอุตตริมนุสธรรมทั้งหมดนี้เริ่มต้นแต่สมถะและวิปัสนาจนถึงนิพพานเป็นที่สุดย่อมเกิดมีแก่ผู้ได้คาถาวัตถุ10บนะถ้าหากว่าผู้ที่ได้คาถาวัตถุ10บคือกคาถาด้วยการมักน้อยเป็นต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่สมถะวิปัสนาเนี่ยจักบริบูรณ์แน่นอนนะครับบัด น, นี้เมื่อจะทรงจําแนกแสดงคาถานั้นจึงตรัสคําเมียที่ว่าอับปิด กะถาดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอับปิดโฉความว่านะแปลว่าผู้ไม่ปรารถนากะถาแห่งอับปิดฉะนั่นชื่อว่าอับปิดฉกะถาหรือกะถาที่เกี่ยวด้วยความเป็นผู้มักน้อยชื่อว่าอับปิดชะกถากะถาว่าด้วยการมักน้อยนะครับ ก็ในที่นี้ว่าด้วยอํานาจความปรารถนาก่อนนะครับความปราร์ลักษณะของปรารธนาเนี่ยมีอยู่4ลักษณะด้วยกันนะครับคือห น, นึ่งอ่ะนะอัตฤกโชผู้ปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นนะครับลักษณะของผู้ปรารถนานะสองปาปิดโชผู้ปรารถนาลามกสามมหิตโชผู้มักมากสี่อับปิดโชผู้มักน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องปรารธนะปราปารธนาเนี่ยมี4ี่อย่างด้วยกันนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ ผู้ปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นอย่างหนึ่งสองผู้ปรารถนาลามกสามผู้มกักมากสี่ผู้มักน้อยอัตริโฉนะครับอรสองปาปิดโฉสา ม, มหิตโฉสี่อับ ป, ปิดโฉนะครับนี่อสี่ศัพท์ด้วยกันนะโฉสี่โฉเหมืันกันสี่โฉอั ต, อตรหรืออตโฉอัต ร, ตรินะครับอัตตะนะอัตริ โชนะครับ อ, อ่างต่อเต่าจุดรอเรือสะอิจอจานจุดแล้วก็โชนในบุคคลสีจ่จำพวกนั้นผู้ไม่อิ่มลาบตามที่ตนได้มาปรารถนาลาบยิ่งยิ่งขึ้นเชื่อว่าอัตติชะนะครับซึ่งท่านหมายกล่าวไว้ว่ายกตัวอย่างของผู้ปรารถนาไม่มีซี่สิ้นสุดนะครับปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะ ยกตัวอย่างในคำพีเปตตาวัตถุเนี่ยนะว่าท่านได้สเสวยนางเวมานิกาเปรศีนางนะไปะได้เมียสี่คนน ะ, นะครับเบื่อนายก็ไม่ไหวไปหาดีขึ้นไปไปประสบอีก8นางนะครับโอ้ยอยู่กับ8นางได้ไม่นานฮนะสเสวยกับพวกนางเวมานิกาเปรแ8ดนางก็เบืรอไปอีกละได้ประสบอีก16นางแม่สบหกนางเนี่ยนะไม่พอนะครับไม่เอ็มหาอีกไปเรื่อยนะครับ ไปสเสวยนางเวมานี่กระเปรดอีก16นางแล้วก็ไปประสบ32สสองนางทีนี้ไอความเป็นผู้มักมากเกินไปนะครับจึงมายินดีในจักรกรดนะครับที่พัดหัวนะ mm hmm. ก็เหมือนในเครื่องตัดน้ำแข็งอ่ะพพัดใส่หัวมันจักรกรดย่อมพัดผันบนกระหม่อมของท่านซึ่งถูกความอยากเนี่ยนำม า, านะเห็นเขาถูกจักรพัดหัวก็นึกว่าเขามีดอกบัวทัดทรงนะครับก็เลย นี่นะครับลักษณะของความมากมากนะครับจากสี่ไปหาแดจากแดได้สิบหกสบหก็ไม่อิ่มได้สามสบสองก็ไปถูกจักพัดหัวนะครับหมุนใส่หัวนะ่ไม่ขาดสักทีอ่ะนะนี่ลักษณะของผู้ที่ปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับไม่รู้จอิ่มไม่รู้จกพอนะครับและที่ตรัสว่าบุคคลผู้อยากได้เกินส่วนย่อมเสื่อมจากประโยชน์เพราะโลภเกินไป และเพราะเมาในความโลภเกินไปนะครับอยากไปเรื่อยๆเลยโลภเลยครับในเปตวัตถุใช่ไหมครับในคาถาธรรมบทก็มีไหมหลายแห่งนะในเรื่องก็ชื่อว่ามิตรตาวินทุกขะนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรเอาอย่างนะครับตัวอย่างให้เห็นโทษนะนะทีนี้ข้อสองนะครับที่บอกว่า ปิดโฉผู้ปรารถนาลามกเนี่ยนะครับปาถนาเป็นบาปเนี่ยนะคือหมายถึงผู้มีความปรารถนาหรือมีความประสงค์ในการยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่เชื่อว่าผู้ปราถนาลามกเพราะมีความต้องการในลาบสการะและเสียงเยินยอแต่ท่านหมายกล่าวไว้ว่าในบาปธรรมเหล่านั้นการหลอกลวงเป็นไนะการดํารงอิริยาบถกิริยาที่ดํารงอิริยาบถ ความดำรงอิริยาบถไว้ด้วยดีด้วยการเสพปัจจัยหรือด้วยการพูดเลียบเคียงของผู้ปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงําอาศัยในลาบสการะและชื่อเสียงเยินยอดังนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ไปดูรายละเอียดของลักษณะของผู้ปรารถนามากในวิสุทธิมรรคนะครับศีลนิเทศนะนะศีลนิเทศที่กล่าวถึงเรื่องสันโดษในปัจจัยสี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องศีลเหล่านี้เห็นชัดเลยนะครับคือ ผู้ที่ปรารถนาลามกนี่นะครับก็จะดํารงอิรยาบทนะครับจะวางตัวให้มันหน้าเลื่อมใสที่สุดเห็นแล้วปิ๊งเลยนะครับโยมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหมีศรัทธาเลยนะครับนะครับโอ้โหอริยะแน่นอนนะครับเดินอย่างนี้ยืนอย่างเงี้นะครับเขาบอกว่าเดินเหมือนเข้าชานเหมือนกันยืนเหมือนเข้าชานนะเห็นแล้วมันเลื่อมใสไปหมดเลยนะครับวางตัวได้อย่างชั้นหนึ่งนะครับหรือ ครัเป็นนักแสดงชั้นหนึ่งเลยนะครับหรือว่าด้วยการเสพปัจจัยเนี่ยนะจะต้องใช้ปัจจัยแบบนี้แบบนี้เขาจะได้เลื่อมสายเอามาให้มากขึ้นหรืออาจจะมีวิธีการพูดเรียบเคียงบางงั้นยอมมีไรชะทานข้าววันนี้สมมุตินะเขาบอกโอ้ทานกับแกงอ่อมอย่างเงี้ยอ้าวแกงอ่อมนี้ผ้าชั้นไม่ได้เลยเงี้ยก็เรียบไปเรื่อ ย, ยนะครับลักษณะนเนี่ยนะ ย้อมบ้านย้อมอยู่อะไอยู่ตึกหรือเปล่าวังนั้นใช่วังนั้ น, งงนเออแล้วพาพอยู่ตึกมั่งไม่ได้แล้วไงก็เรียบเคียงไปเรื่อยลักษณะนี้ก็ปาถนาลามกเหมืองกันนะครหรือว่าผู้ถูกความปรารถนาครอบงําในลาบส ก, การะเนี่ยนะคือลักษณะนี้นี่นะครับเชื่อว่าปาถนาลามกหรือบางทีคุณธรรมทั้งหลายนั้นๆไม่มีเลยตัวเองเป็นผู้ไม่มีศรัทธาศีล ส, นะสุตะจาระอะไรสักอย่างหรอกครับแต่ปรารถนาอยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอันนั้น นะครับเช่นขี้เกียจคร้านนะครับแต่ถือแต่ไม่กวาดอย่างเงี้ยนะครับนะลักษณะนี้นะครับเรียกว่าผู้ป่าถนาลามกเอผมคุนๆว่าอยอมทําอะไรกันเลอกลางสร้างปราสาทอาลพระอยู่ประสานมั่งไม่ได้หรืออย่างงี้นี่มันชอบทํา่ไหนะครับ ตามในศีลตรงนั้นเนี่ยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีเนี่ยนะครับเฉพาะเสนาสนะเนี่ยนะเรียบเคียงได้แต่ว่าก็ยังจะเข้าประเภทนี้นะครับแต่ถ้าโดยเฉพาะแล้วจีวอนจีวอ น, นี่ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครั บ, บ, บกับอาหารเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดถ้ายะ่าถ้าที่อยู่อาศัยเนี่ยพอได้นะครับแต่เขาจะให้หรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งน ะ, นะแล้วปัญหาสําคัญนี่นะครับผมยังนึกถึงข้อความในวินัยนะครับ ถึงเรื่องพระที่เรียบเคียงหรือขอบ่อยๆนะครับ<ม>จนโยมก็เห็นวัวเนี่นึกว่าพระนะครับเพ่นกันตารับหมดเลยนะครับเรื่องอะไรจับมา่นั้นเถ อ, อนะถ้าอย่างถ้าอย่างถ้าเราขอโดยตรงๆเลยได้ไหมขออะไรครับเป็นาสน ะ, ะถ้าเป็นครุพันธ์ขอครุพันธ์ไม่ได้นะครับขอครุพันธ์เป็นนบัตุกฎนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะขอครุพันน์อะไรที่เป็นครุพันธ์เนี่ย อย่างเช่น<ม>ของสงอะไรที่เป็นครูพันแจกไม่ได้นะเราขอสิ่งนั้นกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวรนา น, นะครับเป็นอนบัติทุกกฎอ๋อครับขอพวกไม้พวกอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ต่อไปนะผู้มีความประสงค์ในการยกย่องคุณที่มีอยู่และไม่รู้ประมาณในการรับเชื่อว่าผู้มกักมอด น, ะ, น ะ, ะบุคคลประเภทที่สามเนี่ยนะไอ้คุณเนี่ยมีจริงล่ะ แต่ว่าไม่อยากให้คนอื่นเขารู้เหลือเกินนะครับเที่ยวค่ๆว่าเที่ยวโฆษณาสรรพคุณของตัวนะมีศีลก็อยากให้คนอื่นรู้ว่าท่านเนี่ยมีศีล น, นะไปที่ไหนก็เอาแต่ศีลเนี่ยเบ่งไปเรื่อยนะครับงยลักษณะนี้นะครับเชื่อว่ามากมากเหมัอนันเถอะซึ่งท่านหมายกล่าวไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัท ธ, ธาปรารถนาว่าขอชนจงรู้จักเราว่าเป็นผู้มีศรัท ธ, ธา อยากเที่ยวประกาศให้คนเนี่ยรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนมีศร า, านะเป็นผู้มีศีลก็ย่อมปรารถนาว่าขอคนจงรู้จากเราว่าเป็นผู้มีศีลดังนี้เป็นต้นอมีแล้วนะครับมีแล้วก็โฆษณาเนี่ยนะโอ้ยพระนี่ยท่านมีศีล น, นะอย่างนี้ลักษณะนี้เรียกว่มามักมากนะครับผู้มกักมากหรือว่ามีคุณทำอะไรก็ช่างเถอะแล้วปรารถนาอยากให้คนอื่นเขารู้เหลือเกินเนี่ยเรียกว่าคนมากมาก ถามว่าเอาถอะถามง่ายๆว่าถ้าให้เขารู้เพื่ออะไรครับถ้าถ้าอย่างน้อยที่สุดนะครับเพื่อให้เขาเลื่อมสายเพื่อให้เขาศรัทธาเพื่ออให้เขาไปถวายปัจจัยสี่เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จุดมุ่งหมายของของการเล่าคุณธรรมที่ตัวเองมีอยู่ให้เขาฟังเนี่ยก็เพื่อสิ่งเหล่านั้นนะเพื่อชื่อเสียงลาบสการะทั้งหลายนั่นเองครับในในวิพังน์นี่ที่เขาแสดงไว้กุฎกาวิพังน์นะครับครับผม เขาแสดงไว้ว่าเอ๊ะอันนั้นมันปารธนาลามกหเลยปะ่ะเที่บอกว่าตัวเองน่ยไม่มีศีลหรอกแต่แสดงทีท่ายังกะว่าแม้มีศีลรักศีลเหลือเกินนะครับนนเข้าปาปิดโชครับปาปิดโชะปาปิดโชะเรียกว่าออผู้ปารธนาลามกอ๋อครับ บาธนาลามกเนี่ยนะครับไม่มีแต่อยากให้เขารู้ว่ามีอ๋อถ้านนเป็นมากๆนะครับไม่หิตโฉมากๆ ก, ก็มีมแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่ามี อ, มอันนี้เรียกว่ามากๆ<อ>าถ้าไม่มี <สา S 1> อยากให้คนอื่นรู้ว่ามีเรียกว่าลาม ก, ามกครับใกล้ๆกันนั่นแหละครับขออ่า น, นมันมีที่ว่ามีพระสองพี่น้องที่พี่ชายเขาถือในสัญ ช, ชิกอะไรไหมครับผม พอดีฟ้าแลบมาน้องชายก็ลงมาข้างลางก็เห็นพี่ชายนั่งนั่งอยู่ในกุฏิถือถือเนื้อชิกเมื่อน้องชายขึ้นไปถามว่าพี่ชายยังไม่นอนอีกหรือพี่ชายก็เลยลงนอนครับอาจจะด้วยอำนาจของความมักน้อยด้วยปะครับมักน้อยในทุดงครับออตรงนั้นเนี่ยนะครับอมักมักน้อยนะครับมักน้อยเพราะมักน้อยมีสามอย่างนะครับ ซึ่งจะได้กล่าวข้างหน้านะครับอจริงอย่างนั้นเขาบอกว่าคนที่มักมากเนี่ยนะแม้มารดาผู้บังเกิดกล้าวก็ไม่สามารถจะเอาใจเข้าได้นะคนที่มักมากมากมเนี่นะครับด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคํานี้ไว้ว่าบุคคลผู้ให้ปัจจัยเป็นอันมากเป็นเล่มเกวียนก็ไม่พึงยังแม้สภาวะสามเหล่านี้คือกองไฟหนึ่งมหาสมุทรหนึ่งบุคคลผู้มักมากหนึ่งให้เต็มได้ถมไม่เต็มว่างั้นเถอะ นะครับเรือ่อะไรก็ไม่มีสิ้นสุดสักทีนึงนะครับเอาไปเรื่อ ย, ยนะลักษณะนี้นะครับกองไฟมาหาสมุดคนมากๆทาให้เต็มไม่ได้หรอกครับเคยเห็นนะั้นน้ําทะเลเนี่ยเต็มแล้วพอแล้วงหมนัรับไม่ได้ล้นไม่มีกองไฟนี่นะครับสายฟืนเลยนะครับไฟนี่ไม่มีเต็มสักอย่างเผาไปเรื่อยคนมากๆนะให้ไปเท่าไหรก่ก็ไม่พอเขามีเรื่องเล่านะมีแม่แม่เขาเนี่ยเขาอยากจะลองดูลูกเขาเอ้ลูกนี้มัน ยังมากมากดูหรือเปล่าก็ทอดขนมเยอะเลยให้ลูกฉันดูถวายลูกอนะลูกเขาบวชนี่ดูที่ว่าลูกเรานี่จะรู้จักประมาณหรือเปล่าลูกฉันจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับแม่ก็บอกว่าเออขนมที่จะฉันในพรรษานี่ท่านฉันหมดไปแล้วนะมันคือไม่รู้ประมาณอะไรเลยนะครับฉันเอาฉันเอาจนไม่รู้ว่าเออแค่ไหนมันเหมาะสมก็ไม่รู้นะครับแม่ก็เลยบอกว่าไอ้ของที่จะฉันในพรรษาเนี่ยมันมีเท่านี้นะไอ้ขนมอย่างเงี้ยนะ <g ülme> ก็สอนให้นะคาค่ากับว่าเอาเค้กมาให้สักสี่ห้าชิ้นไอ้ห้าใหญ่ๆเลยนะสี่ห้าชิ้นใหญ่เลยนะแม่ลองดูที่ว่าจะรู้ประมาณโดยปกติก็กินกันก็ละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นแหละพอล่อหมดเกลี้ยงเลยนะก็บอกเอาเค้กในพันศาเนี่ยนะหมดแล้วนะ <g ülme> <g ülme> ลักษณะนั้นแหละเขาเรียกว่ามากมากนะครับเขามีตัวอย่างให้ดูงนะั้นนั้นให้เต็มไม่ได้นะครับก็บอกว่าแม้แต่แม่ก็ยังเอาใจไม่ได้เหมือนกันเถะ